พระอุปชายยะชักอังสะออกจากไกลสวมให้แล้วสั่งให้ออกไปคลองผ้าไกลจีวรตามระเบียบคันเสร็จแล้วรับเครื่องพยาทานเข้าไปหาพระอาจารย์ถวายท่านแล้วกราบลงสามหนนั่งลงคุกเข่าขอสารณะและศีลดังต่อไปนี้อหังพันเตสารณะศีลังยาจามิ ทุติยัมปิอาหางพันเตสารณะสีลังยาจามิตะติยัมปิอาหางพันเตจารณะสีลังยาจามิ